สามสิบเก้าพระวาเสตีเทรีภิกษุณีผู้เคยเป็นบ้าชาติสุดท้ายนางเกิดในตระกูลหนึ่งแห่งกรุงเวสาลีเจริญวัยแล้วมารดาบิดายกนางให้ชายที่มีชาติเสมอกันนางอยู่กินกับสามีอย่างมีความสุขมีบุตรคนหนึ่งแต่แล้วบุตรน้อยนั้นตายในเวลาที่วิ่งเล่นได้นางถูกความเศร้าโศกบีบคั้นจนกลายเป็นบ้า หมูญาตและสามีช่วยกันเยียวยาแก้ไขก็หนีไปถึงมิถิลานครแล้วได้พบกับพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐกําลังเสด็จไปในระหว่างถนนในมิถิลานครนั้นครั้นเห็นแล้วนางก็หายบ้าได้ปกติจิตกลับมาพร้อมกับการเห็นพระองค์เพราะพุทธานุภาพครั้งนั้นพระาศาสดาทรงแสดงธรรมแก่นางโดยย่อ นางฟังแล้วได้ความสังเวชกราบทูลขอบวชกับพระาศาสดาได้บวชในภิกษุณีทั้งหลายตามพระดำรัสจังทากิจเบื้องต้นแล้วก็ได้เริ่มวิปัสนาภาคเพียรพยายามอยู่ไม่นานนักก็บรุพระอรหัดพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีเพราะมีญาณแก่กล้าท่านพิจารณาถึงข้อวัดปฏิบัติของตนแล้วได้กล่าวคถาเหล่านี้ว่า ข้าพเจ้าถูกความเศร้าโศกถึงบุตรบีบคั้นมีจิตฟุ้งซ่านไม่รู้สึกตัวเปลือยกายสยายผมเที่ยวร้องไห้ไปตามที่ต่างๆข้าพเจ้าได้เที่ยวไปในถนนกองขยะในป่าช้าในตรอกใหญ่ตรอกน้อยอดอ ด, อ, ดอยากๆยาตลอดสามปีภายหลังได้พบพระสุคตผู้ฝึกบุคคลผู้ยังไม่ได้ฝึก ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่เกิดความกลัวแต่ที่ไหนไหนกําลังเสด็จไปสู่กรุงมิทิลากลับได้สติแล้วไปถวายบังคมพระโคโดมพระองค์นั้นได้ทรงแสดงธรรมโปรดข้าพเจ้าด้วยพระกรุณาข้าพเจ้าได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วออกบวชไม่มีเรือนเพียรพยายามในคําสอนของพระาศาสดาได้ทําให้แจ้งซึ่งบทธรรมอันปลอดโปร่ง ข้าพเจ้าถอนและละความโศกทั้งหมดได้แล้วเพราะข้าพเจ้ากําหนดรู้วัตถุคืออุปทา น, นขันห้าซึ่งเป็นเหตุเกิดแห่งความโศกทั้งหลายได้คาถามนั้นมีอธิบายว่าพระเถรีกําหนดรู้อุปทานขันห้าด้วยปริญญาสาคือยาติปริญญากําหนดรู้ด้วยการรู้ตีรณปริญญา กำหนดรู้ได้ด้วยการพิจารณาปหาณะปริญญากำหนดรู้ได้ด้วยการละปริญญาสามนี้เป็นไปในอริยสัจส์4ครบทั้วแล้วมีพระอรหัตผลเป็นที่สุด